BIRDS <whistles> CHIRP สำหรับการจัดโครงการที่ให้ชื่อว่ากิเลสแมネจเมนต์ซึ่งเป็นคมที่ให้ความหมายครอบคลุมได้มากทีเดียวเพราะว่ากิเลสนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ต้องกบจัดแต่ว่าในขณะที่ยังกำจัดไม่หมดเนี่ยเราต้องรู้จักจัดการให้เป็นประโยชน์ถ้าเราใช้กิเลสให้เป็นประโยชน์แทนที่จะให้กิเลสใช้เรานะเรารู้จักใช้กิเลสให้เป็นประโยชน์ ก็อาจจะทําให้เกิดความเจริญงอกงามได้เพราะว่าพระพุทธองค์ก็ได้เคยแนะว่าต้องรู้จักใช้ตัณหาละตัณหาในสายพุทธการก็มีพระจํานวนไม่น้อยที่ท่านอยากจะลาศิกขาแต่ว่าพอเป็นนึกถึงชีวิตคาระวะที่ลําบากบางท่านก็เคยเป็นยาจกเป็นวันิพกแล้วก็เมื่อบวชแล้วก็ยังเก็บผ้าเครื่องแต่งกายเอาไว้ในป่า ก็จะสึกขึ้นมาก็เดินเข้าไปในป่าแล้วก็ไปดูเสื้อผ้าที่เคยใส่ในยามเป็นวันนิพกแล้วก็รู้สึกว่าการเป็นคาราวานี่ลาบากเหลือเกินเป็นพระสบายกว่าก็เลยเปลี่ยนใจไม่สึกทําชนนี้อยู่หลายครั้งจนกระทั่งในสุด ก, ก็บรรลุธรรมจนได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการใช้กิเลสให้เป็นประโยชน์ในทางส่งเสริมชีวิตพรหมจรรย์หรือว่าหลวงปูข่ขาว ท่านก็เคยเล่าถึงเด็กที่อยากจะได้เงาะเด็กอายุสามขวบอยากจะได้เงาะแม่พาไปจังหันเด็กเห็นเงาะถูกปอเกเปลือกปลาขาวไม่เคยเห็นอยากกินเงาะหลวงปู่ขาวก็เลยบอกว่าที่อยากกินก็แลกกันนะต้องให้นั่งสมาธิแล้วเด็กจะให้เงาะอันเด็กไม่รู้ว่านั่งสมาธิยังไงหลวงปู่ขาวก็แนะนําแล้วบอกให้บริกรรมด้วย แล้จะกล่าวคำบริกรรมอย่างไรหลวงปู่ก็บอกว่าเอาหมางาะนี่แหละบริกรรมฉัเลยนัเด็กก็นั่งหลับตาพิมพ์อย่างที่เราทำเมื่อกี้นี้แล้วก็พิจารณาเราเลืกคำว่าหมากงาะหมางาภาษาอีสานตะวันเงาะนะตอนที่ทําใหม่ๆก็น้ําลายไหลนะแต่ทําไปทําไปก็สงบนิ่งมาเปิดตาอีกทีก็ตอนที่ยินเสียงระฆังบอกว่าเป็นระฆังนัดแนะให้พระเนี่ยมาทํากิจวัตรส่วนรวมประมาณบ่ายสา เด็กนั่งสมาธิตั้งแต่8ดโมงเช้าถึงบ่ายสาเพราะว่าความอยากได้กินเงาะแต่ว่าไอ้ความอยากกินนั่นแหละก็ทำให้จิตเป็นสมาธิได้หรือหลวงพ่อพุธท่านก็เคยแนะนำพระบวชใหม่ให้ทำสมาธิท่านทำสมาธิไม่ได้ภาวนาพุโทโธทีไรเห็นหน้าแฟนทุกทีหลวงพ่อพุธก็เลยบอกว่าถ้าหากว่าหน้าแฟนนี้ลบไม่ได้เลือนไม่ได้ก็เอาชื่อแฟนนั่นแหละมาบริกรรมซะเลย ก็บริกรรมหายใจเข้าก็ชื่อแฟนนะหายใจออกก็ชื่อแฟนสงบนะฮะสงบได้เหมือนกันอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการจัดการกิเลสคือเอากิเลสมาใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนากุศลธรรมทุกวันที่เราปล่อยให้กิเลสมันใช้เรามามากพอแรงแนะฮะซึ่งรวมไปถึงอัตตาตัวกูของกูด้วยแต่ว่าในขณะที่เรายังไม่สามารถที่จะ กำจัดหรือเอาชนะกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงเราก็ควรที่จะมีอุบายในการใช้กิเลสให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาจิตใจของเราวันนี้ในหัวข้อในวันนี้เนี่ยนะเป็นเรื่องการจัดการความตายประเด็นนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาสากลมาทุกยุคทุกสมัย และในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่เรียกว่าเน้นการจัดการคำตอบอยู่ที่การจัดการการจัดการกับความตายก็เป็นความเชื่อของคนจำนวนไม่น้อยว่าสามารถจัดการได้แต่ว่าการจัดการในที่นี้มักจะมีความหมายถึงการควบคุมให้เป็นไปตามอานาจของจิตใจทุกวันนี้เนี่ยสิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยล้วนแต่ กระตุ้นให้เราเนี่ยอยากจะจัดการเพราะเรามีเทคโนโลยีเรามีทรัพย์สินเงินทองเรามีความมั่นใจเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีความรู้และทรัพย์สินเงินทองที่เรามีเนี่ยสามารถจะทำให้เราจัดการสิ่งต่างๆได้ตามใจปรารถนาเราสามารถจัดการธรรมชาติเราสามารถที่จะจัดการสังคมและเราเชื่อว่าเราสามารถจะจัดการกับร่างกายของเราได้ตั้งแต่เรื่องใหญ่ ก็คือว่าเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนปอดเปลี่ยนไตจัดการได้ไปจนถึงเรื่องเล็กเป็นสิวผิวแห้งผมแตกปลายก็จัดการได้ถ้าซื้อเครื่องประทินผิวยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เราดูโฆษณาทุกวันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเราได้รับคํามั่นสัญญาว่าทุกอย่างจัดการได้ต้องทุกอย่างเลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้เราพอยเชื่อจริงๆว่า ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราจัดการไม่ได้ซึ่งรวมถึงความตายแต่ความตายในความหมายที่จัดการได้นี้เนี่ยก็หมายถึงการเอาชนะความตายมนุษย์เรามีความเชื่อและมีความหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะเอาชนะความตายได้เหมือนกันที่เราตอนนี้เรามีความหวังมีความเชื่อมั่นว่าจะเอาชนะความแก่ได้แต่ความคิดนี้จะเป็นความเพ้อฝันเพียงใดก็ดูจากเมื่อหสิบปีก่อน นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำเคยคิดว่าจะสามารถที่จะกำจัดเชื้อโรคหรือโรคติดเชื้อให้หมดไปจากโลกได้ห้าสิบปีที่แล้วมีการประกาศว่าไอ้โรคที่จะปล่อจากโรคติดเชื้อกำลังจะมาถึงในไม่กี่ปีนี้นั่นเขาพูดก่อนที่มนุษย์เราจะสามารถส่งจรวจขึ้นไปโครจรรอบโลกได้แต่ผ่านมาห้าสิบปีแล้ว อย่าว่าแต่โรคยากๆที่ยังไม่รู้วจะจัดการอย่างไรเช่นโรคเอสหรือว่าโรคอีโบลาแม้แต่โรคพื้นๆคือปอดบวมและมาลาเรียไม่ต้องพูดถึงหวัดนะฮะก็ยังไม่มีปัญญาจัดการเลยแค่มาลาเรียอย่างเดียวเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้ก็มีการวางแผนในหมู่ผู้รู้ทั้งโลกก็บอกว่าจะต้องวางแผนห้าสิปีเบรุเกนมาร่วมวงด้วยเพื่อที่จะมาร่วมกันวางแผนว่าตอนนี้ไม่กําจัดมาลาเรียแล้วนะฮะ จะควบคุมมาลาเรียให้ได้อย่างไรภายในห้าสิปีนี้สิบปีน้อยเกินไปอันนี้แค่โรคติดเชื้อธรรมดาซึ่งไม่ได้ซับซ้อนอย่างโรคเอสนะฮะแล ต, ตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นนเรื่องการจัดการความตายเนี่ยยงไรก็ตามเนี่ยก็ยังมีความเชื่อว่ามนุษยชาตินี่จะเอาชนะมันได้แต่ในทางพุทธ ศ, ศาสนาเนี่ยการพยายามเอาชนะความตายมันไม่ใช่เป็น ท่าทีที่จะถูกต้องหรือว่าจะฉลาดนักถ้าหากว่าเราจะจัดการกับความตายไม่ดีกว่าหรือถ้าเราจะทำให้ความตายของเรานั้นเป็นการตายดีในทางพุทธศาสนาเราให้ความสาคัญตรงนี้ฮะไม่อยู่ที่การเอาชนะความตายไม่ใช่อยู่ที่การยื้อความตายให้ห่างไกลออกไปซึ่งเป็นไปไม่ได้แล้วก็ไม่สมควรด้วยแต่สิ่งที่เราควรทาและเราทาได้ ก็คือการทำให้ความตายนั้นเป็นความตายที่ดีนี่คือทัศนที่ยอมรับความจริงว่าความตายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นและอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นเนี่ยแทนที่จะพยายามเอาชนะมันหรือพยายามที่จะหนีมันจะไม่ดีกว่าหรือถ้าหากว่าเราจะยอมรับมันแต่ไม่ใช่ยอมรับอย่างคนที่สิ้นไล้ไม่ตอก แต่ยอมรับในฐานะคนที่มีปัญญาที่รู้เท่าทันความจริงของชีวิตเมื่อรู้แล้วก็ทําให้ความตายของเรานั้นเป็นการตายที่ดีคาถามก็คือว่าตายดีคืออะไรถ้าถามคนทั่วไปตายดีก็คือว่าตายแบบไม่เจ็บปวดตายโดยที่อ า, อาการสายสองครบถ้วนไม่มีชิ้นส่วนใดขาดหายไปพูดง่ายคือศพสวย หรือว่าตายโดยที่แบบถ้านอนหลับแล้วก็ตายไปเลยนี่คือความตายในแง่หนึ่งซึ่งอาตมาช่วคนส่วนใหญ่คิดแบบนี้คือตายโดยไม่เจ็บปวดตายโดยที่ไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุรถชนหรือโดนระเบิดนะฮะหรือว่าจมน้ำแต่ว่าตายแบบเรียกว่าไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยก็ได้แล้วก็ต้องเป็นศพที่สวยด้วยอันนี้เรากว่าเป็นความตายดีในมิติทางกายภาพ คนจำนวนนึงก็จะบอกว่าตายดีก็คือว่าได้ตายท่ามกลางคนรักมีคนรักอยู่ใกล้ๆแวดล้อมตายโดยที่ไม่เป็นภาระให้กับเขาตายโดยที่มีคนที่รู้ใจอยู่ข้างๆหรือว่าตายโดยที่คนรอบข้างเนี่ยเขาทําใจได้เขาไม่ฟูมงไฟเขาไม่เศร้าโศกเสียใจเขาไม่ทะเลาะ ก, กัน ตายโดยที่ไม่ไปสร้างภาระสร้างหนี้สินให้กับเขาแล้วก็รวมไปถึงตายแบบที่เรียกว่ามีคุณค่าต่อสังคมที่เรียกว่าตายแบบหนักแน่นดังขุนเขาอันนี้ก็เป็นการตายดีอีกมิติหนึ่งนะอาตมาเรียกเป็นการตายดีในเชิงสัมพันธภาพหรือสังคมมิติทางสังคมอีกมิติหนึ่งซึ่งสำคัญมากนะฮะก็คือการตายโดยที่ใจสงบไม่เกิดความทุรนทุราย เป็นการตายที่มีสติรู้เกือบจะโดยตลอดคือไม่หลงตายไม่ลืมสติเวลาตายตายสงบหรือถ้าดีกว่า น, นั้นก็คือตายแบบสว่างตายอย่างสว่างคืออะไรตายอย่างสว่างคือตายโดยที่ไม่เพียงแต่ใจสงบไม่ทุรนทุรายเท่านั้นแต่ว่าใจเนี่ยยังเกิดปัญญาในขณะที่ความตายมาถึงใจก็เกิดปัญญาเห็นความจริง เห็นสัจธรรมของชีวิตว่ามันไม่เที่ยงร่างกายและจิตใจนั้นเต็มไปด้วยทุกข์ไม่มีอะไรที่ยึดถือได้แล้วก็ไม่น่ายึดถือจิตสามารถที่จะปล่อยวางเพราะรู้แจ้งในสัจธรรมเรียกว่าบรรลุธรรมขั้นสูงได้อันนี้เรียกว่าตายอย่างสว่างในทางพุทธศาสนาเนี่ยถ้าถามว่าระหว่างตายดี3อย่างเนี่ยอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดก็จะตอบว่าตายอันสุดท้ายนั่นแหละ ไม่จำเป็นว่าจะตายแบบสวยหรือไม่สวยไม่จำเป็นว่าจะตายแบบเจ็บปวดหรือไม่เจ็บปวดตายแบบปัจจุบันทันด่วนหรือว่าตายแบบยืดเยื้อเรื้อรังตายคนเดียวหรือว่าตายท่ามกลางผู้คนอันนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญและที่จริงก็เป็นสิ่งที่หวังไม่ได้ด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราจัดการไม่ได้ เราไม่มีทางที่จะรู้ได้ว่าเราจะตายเมื่อไรตายอย่างไรตายที่ไหนตายด้วยเหตุใดและตายแล้วไปไหนนี่คือสิ่งที่ทำนายไม่ได้หาปัะการของความตายแม้จะเป็นโรคเอดส์ก็ไม่ใช่ว่าจะตายด้วยโรคเอดส์อาจจะตายเพราะอุบัติเหตุก็ได้เราไม่สามารถจะจัดการความตายจนกระทั่งเราแน่ใจได้ว่าจะตายที่ไหนตายเมื่อไรตายอย่างไรตายโดยอายุเท่าไหร่ ไม่ต้องพูดถึงว่าตายแล้วจะไปไหนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถจะทำได้นั่นคือว่าการที่เราดูแลรักษาจิตใจของเราจนสามารถที่จ ะ, ะเผชิญกับความตายได้อย่างสงบและสามารถที่จะเห็นธรรมที่เผยแสดงจากความตายจนเกิดปัญญาตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่สำคัญกว่าในสารพุทธ ก, การแล้วก็ตลอด เวลาของมุนสียชาตินะเป็นเวลาเกือบ 2,600 ปีนับตั้งแต่มีพุทธศาสนาเป็นต้นมาหรือที่จริงอาจจะก่อนนั้นนั้นด้วยซ้ำก็มีตัวอย่างมากมายของคนที่แม้จะเจ็บปวดโดยโรครายแต่ว่าก็สามารถที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงได้อย่างพระเจ้าสุทธโธทนะนี่ก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในขณะที่เจ็บปวดปวด่วยยืดเยอเจ็ดวันนะ วันสุดท้ายนะก่อนที่จะสิ้นลมก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พระติสสะซึ่งเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายจกนกระทั่งเพื่อนสหธรรมิกก็ไม่อยากจะดูแลเพราะว่าท่านนอนจมกองอุจลรพศวะมีแปผู้พองเต็มตัวเหม็นสงกลิน่นเน่าไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้จกนกระทั่งพระพุทธเจ้าต้องมาปทพยาบาลผู้รนทุรายนะฮะแต่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรม เพียงแค่ไม่กี่ประโยชน์พัติสานี่ก็บรลลุ ธ, ธรรมเป็นพระราหัสก่อนที่จะสิ้นลมที่เขาอุบาสกก็เป็นเช่นเดียวกันที่บรลลุ ธ, ธรรมเป็นพระนาคาในขณะที่ใกล้จะหมดลมในสภาวะที่ใกล้ตายทั้งสิ้นในสภาวะที่ทุกขเวทนาแรงกล้าบีบคั้นแล้วก็บางท่านเนี่ยตายในลักษณะที่เรียกว่าหน้าอเนตอนาในสายตาคนทั่วไปอย่างเช่นพระนางสามาวดีซึ่งตายขณะที่ถูกไฟครอก เพราะว่าถูกมเหสีด้วยกันเนี่ยนามาคันธียา ก, กลั่นแกล้งหลอกให้ไปถูกขังไว้ในเรือนในคลังเก็บผ้าแล้วก็เผาพร้อมบริษัทบริวารห0 0รอยคนศพดำเป็นตอตะโกจกนกระทั่งมีพระ ส, สาวไปถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมคนดีต้องตายแบบนี้คำถามนี้ถามกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะฮะว่าทำไมคนดีต้องตายแบบนี้พระเจ้าตรัสว่าพระนาสาวดีและบริวาร น, นั้นการตายของ ท่านเหล่านั้นไม่ใช่เป็นการตายที่สูญเปล่าเพราะว่าทุกท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยะมนาสามาดีก็เป็นอนาคามีในขณะที่เปลวไฟกำลังแผดเผากลืนทั้งล่างนี่ท่านได้พิจารณาเอาเวทนาเป็นอารมณ์เอาทุกขเวทนานี่แหละมาเป็นอารมณ์พิจารณาจะเรียกว่าเป็นเวทนาลุปรศนาก็ได้พิจารณาจนกระทั่ง บรรลุทมได้เพราะเห็นเห็นชัดเจนถึงความเป็นทุกข์ของสังขารซึ่งมันผูกบีบขั้นด้วยทุกขเวทนาท่านก็บรรลุทมเป็นพระอนาคามีในกองเพลิงนั่นเองนี่จะเห็นได้ว่าการตายดีในพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องตายแบบสบสวยไม่ใช่ว่าต้องตายโดยที่ไม่ได้เจ็บปวดสิ่งนั้นไม่สำคัญเท่ากับว่าเราวางใจอย่างไรในขณะที่กาลังจะตายเรารเผชิญหน้ากับความตายอย่างไร อันนี้คือการตายดีที่สำคัญในพุทธศาสนาความตายนี่เป็นหน้าต่างแห่งโอกาสนะอาจจะเป็นหน้าต่างบานเล็กๆแต่เป็นหน้าต่างที่เราสามารถที่จะลอดผ่านไปได้ถึงการหลุดพ้นจากวัฏสงสารก็ได้หรือว่าอาจจะไปสู่สุคติก็ได้หรืออาจจะไปสู่ภูมิธรรมขั้นสูงก็ได้ด้วยเห็นนี้เองถ้าเจ้าพุทธทาสจึงพูดว่าความตาย ในเวลาที่ใกล้าตายนี้เนี่ยเป็นนาทีทองของชีวิตและท่านก็ได้แนะต่อไปว่าถ้าตกก็ได้แล้วต้องพลอยกระโจนเลยนะไม่ต้องห่วงหาอะไรประเด็นนี้จะได้พูดต่อไปแต่ว่าสิ่งที่อยากจะย้ําก็คือว่าความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวในทางพุทธศาสนาความตายเป็นโอกาสความตายมีพลังพอที่จะผลักจิตให้สู่ภูมิธรรมที่สูงขึ้นหรือจะฉุดจิตให้ลงสู่อบายหรือทุกขติก็ได้สุดแท้แต่ว่าเราเข้าใจความตายได้แค่ไหน ด้วยเหตุนี้เราจะเป็นต้องรู้จักความตายมีผู้รู้ท่านหนึ่งบอกว่าในาโลกนี้ไม่มีอะไรที่น่ากลัวมีแต่สิ่งที่ต้องทํามเข้าใจความตายก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวถ้าเรารู้จักและเราเข้าใจความตายและถ้าเราเข้าใจความตายดีพอเราจะรู้ว่าสิ่งที่น่ากลัวความตาย ก, ก็คือความกลัวตายความกลัวตายนั่นแหละคือสิ่งที่จะปิดกั้นโอกาสปิดกั้นหน้าต่างแห่งโอกาสที่จะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงภูงมิธรรมขั้นสูงได้ วความโกรธตายนี่คือสิ่งสําคัญและความโกรธตายนั่นแหละที่ทําให้เราเนี่ยคนส่วนใหญ่ในโลกนี้พยายามหลีกหนีความตายตลอดเวลาโดยการทําตัวให้วุ่นทําใจไม่ให้ว่างเพราะว่าท่านึกถึงความตายแล้วก็จะเป็นทุกข์เพราะเราไม่รู้จักความตายดีพอเรากลัวคนทุกวันนี้ใช้ชีวิตอย่างพยายามลืมตายอยู่อย่างลืมตายลากับว่าตัวเองจะไม่ตายแล้วิธีที่ทำให้ลืมตายคือทําให้ตัวเนี่ยวุ่น วุ่นกับการเที่ยวห้างวุ่นกับการเสพกับการบริโภควุ่นกับการโทรศัพท์พูดคุยกับคนต่างๆมากมายวุ่นกับการทำงานวุ่นเพื่อจะได้ไม่ต้องคิดถึงความตายเพื่อได้ไม่ต้องระลึกว่าสักวันหนึ่งเราต้องตายแต่ยิ่งทำเช่นนี้นะก็ยิ่งเท่ากับทำให้ความตายเนี่ยกลายเป็นปฏิปักษ์กับเราจริงๆแล้วความตายไม่ใช่ปฏิปักษ์กับเรานะฮะ ปัณณ์ในที่ว่าเราเป็นปฏิปัติความตายเมื่อใดก็ตามที่เราเป็นปฏิปัติความตายความตายก็จะเป็นปฏิบัติกับเราการพูดถึงความตายเอ่ยคําว่าความตายก็ฟังไม่ได้ใช้คําว่ามรณาได้ไหมใช้คําว่าสิ้นลมได้ไหมอาตมาจัดโครงการประชิญความตายอย่างสงบเนี่ยใหม่ๆคนก็บอกว่าชื่อนี้ไม่เพาะเปลี่ยนชื่อได้ไหมสุนทรียมรณาอะไรอย่างนี้ได้ไหมนะ เขามีสุนทรียสนทนาแล้วก็สุนทรียมรณ า, าบ้างตมาบอกไม่ต้องเอาความตายตรงๆเลยถ้าทนคําว่าความตายไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องคิดว่าจะอยู่หรือรเผชิญกับความตายได้อย่างไรตอนนี้คําว่าความตายเป็นคำอุจจารไปแล้วนะฮะเมื่อคําว่ากินเนี่ยก็กลายเป็นคำอุจจารคือไม่สุภาพเราพยายามที่จะเลี่ยกลี่ยงคําว่าความตายแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเราต้องเผชิญกับมัน และนี่แหละถ้าเรารู้จักเผชิญด้วยใจที่ไม่ใช่ปฏิเสธแต่ใจที่ยอมรับว่าความตายเป็นธรรมดาของชีวิตและยิ่งเมื่อเราต้องประสบเหตุเพศภัยที่ทำให้ต้องใกล้ชิดกับความตายมากขึ้นเป็นโรคร้ายจําเป็นมากที่เราจะทำใจยอมรับมันให้ได้ว่าเรากำลังใกล้ความตายปัจจัยประการแรกเงื่อนไขประการแรกในการที่ทำให้คนเรารเผชิญความตายอย่างสงบได้ก็คือการยอมรับความจริง นี่เป็นเงื่อนไขข้อแรกเลยอะไรก็ตามถ้าเราไม่ยอมรับมันนะมันกลายเป็นทุกข์ทันทีเลยนะฮะงานการที่เราปฏิเสธมันไม่ยอมรับมันเราก็เป็นทุกข์จากงานนั้นสภาพบ้านเมืองสภาพเศรษฐกิจถ้าเราตั้งท่าปฏิเสธตั้งแต่แรกเราก็กลายเป็นทุกข์ทันทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำใจยอมรับว่ามันเป็นความจริงของชีวิตที่เราต้องเผชิญ และต้องยอมรับได้ว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตอนยอมรับความตายในฐานะที่เป็นความจริงของชีวิตเนี่ยมีอยู่2 ส, ส่วนอันที่หนึ่งก็คือยอมรับว่าเป็นสิ่งที่แน่นอนแน่นอนที่สุดเลยแต่ขณะเดียวกันก็ยอมรับต่อไปได้วยว่าความตายนั้นเนี่ยในความแน่นอนนั้นก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนก็คือเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ถึงแม้เรายังหนุ่มยังแน่นยังสาวก็อย่าไปคิดว่าเราจะตายภายใน40 50ปีข้างหน้า อาจจะตายในไม่กี่วันในไม่กี่ปีก็ได้ภาษิตที่เบสพูดไว้ว่าระหว่างวันพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรจะมาก่อนสำหรับบางคนสำหรับหลายคนไม่มีวันพรุ่งนี้แล้วนะฮะมีชาติหน้าเลยไม่มีวันพรุ่งนี้สาหรับหลายคนแต่มีชาติหน้าเลยชาติหน้ามาก่อนอาจจะเป็นเราก็ได้นี่คือการยอมรับความจริงซึ่งต้องใช้ความกล้า แต่ถ้าเรายอมรับตรงนี้ได้เนี่ยแม้ใจจะสั่นแม่ใจจะกระเพื่อมในครั้งแรกนะแต่ว่าเมื่อยอมรับได้ใจก็จะสงบมากขึ้นคราวนี้อาตมาก็ได้พูดมาแล้วว่าการจัด ก, การความตายในทางพุทธศาสนาเนี่ยก็คือการทำให้ความตายของเรานะฮะเป็นการตายดีตายดีเนี่ยก็ได้บอกไว้แล้วว่าหมายถึงอะไรใช่ไหฮะ คาวนี้เนี่ยจะตายดีได้อย่างไรการจะตายดีได้เนี่ยประการแรกเลยก็คือว่าต้องใช้ชีวิตให้เป็นไปในทางที่ดีพูดง่าคือว่าทำความดีใช้ชีวิตของเราเพื่อทำความดีการทำความดีพื้นฐานแล้วก็คือการรักษาศีลการทำบุญทำกุศลอันนี้คือปัจจัยข้อแรกเลยการที่ทำให้ตายดีพระยเจ้าตรัสว่า ผู้ที่มีสุดจริตสนะก็คือกายสุดจริตวจีสุดจริตมโนสุดจริตผู้นั้นอนิสง์ของการมีสุจริตสก็คือว่าไม่หลงลืมสติเวลาตายและในที่หนึ่งท่านก็บอกว่าการทําดีทั้งในทางมโนกรรมในทางวจีกรรมและกายกรรมนั้นเนี่ยย่อมทําให้เป็นการตายที่ดีเป็นการกิริยาที่งามการกิริยาที่งามคือว่าตายดีนั่นเองนะครับ ในที่มท่นก็บอกว่าบุญเนี่ยย่อม น, นำให้ถึงสุขในเวลาสิ้นชีวิตคำสั้นๆนีมีความหมายนะฮะในเวลาสิ้นชีวิตมีสิทธิ์มีความสุขได้ในเวลาที่จะสิ้นชีวิตนี้แม้จะมีทุกขเวทนาก็ตามก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเป็นสุขได้โดยเพราะเมื่อได้บำเพ็ญบุญนี่เป็นบันไดเบื้องต้นนะของการที่ทำให้ความตายของเราที่จะเกิดขึ้นเป็นความตายที่ดี อย่างไรก็ตามเนี่ยอธิากาขออธิบายหน่อยนะฮะว่าการทำความดีเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรมันไม่ใช่มีประโยชน์เฉพาะในเวลาที่มีชีวิตก็คือทำให้มีชีวิตอย่างเป็นสุขแต่ในเวลาตายเนี่ยถ้าหากว่าเราได้ทำความดีเมื่อเราเลนนึกถึงความดีที่เราได้ทำใจแล้วก็ปิติในทางตรงข้ามถ้าเราทาในสิ่งที่ไม่ดีในขณะที่ยังมีกาลังวังชายังมีเรี่ยวแรงอยู่ สีของเราไม่สมบูรณ์ไม่เจริญเรามีความพล่องในสีเนี่ยเมื่อใกล้จะตายเนี่ยมันจะมีภาวะหรือปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่ที่จริงเกิดขึ้นกับทุกคนเพียงแต่ว่าจะจะมากหรือน้อยนะฮะจะนานหรือเร็วแค่ไหนเนี่ยก็คือการที่ใจเนี่ยจะน้อมะระลึกไปถึงกรรมในอดีตกรรมในอดีตการกระทำในอดีตเนี่ยที่ทมาอาจจะตั้งแต่ สขวบสมขวบหรือตั้งแต่ตอนที่คลอดออกมาจากท้องแม่เนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่เคยสูญหายไปจากความทรงจํานะมันอยู่ในจิตที่เราอยู่ในอรารยวิญญาณและถึงเวลานี้เนี่ยมันก็จะออกมาอย่าลืมนะครับว่าคนเราเนี่มีความจําที่ประเสริฐมากคนที่เป็นออทิสติกเนี่ยเขาจะแสดงความจริงของ้อนี้ว่าข้อนี้สามารถที่จะจําอะไรได้เยอะแยะจําสมุดโทรศัพท์ได้ทั้งเล่มก็ได้ หรือจําเพลงที่แต่งมาเล่นทีเดียวเนี่ยหนึ่งชั่วโมงแล้วให้เขาเล่นใหม่เนี่ยบางคนก็เล่นได้ถูกโนต้ตเลยซึ่งเป็นเรื่องธรรมดามากสําหรับคนที่เป็นออทิสติกบางประเภทไม่ใช่ว่าความซ้ำพิเศษนั้นมีอยู่เฉพาะเป็นคนที่คนที่เป็นออทิสติกไม่ใช่คนทุกคนก็มีเพียงแต่ว่าออทิสติกนี่เขาสามารถที่จะเอาความจําของมนุษย์เนี่ยออกมาได้แต่ขณะที่คนธรรมดาเอาออกมาไม่ได้แต่ตอนเวลาใกล้จะตายเนี่ยมันจะออกมาและจะมีสิ่งที่เรียกากรรมนิมิตกรรอนิมิตก็คือว่า นิมิตหรือว่าอาจจะเป็นภาพอาจจะเป็นเสียงอาจจะเป็นกลิ่นที่เกี่ยวกับการกระทําในดีมันก็จะออกมาถ้าเป็นกรรมดีก็จะรู้สึกปลื้มใจแต่ถ้าเป็นกรรมที่ไม่ดีเนี่ยใจก็จะปักอยู่ตรงนั้นเมื่อใจปักอยู่ตรงนั้นใจก็จะทุกข์เมื่อใจทุกข์แล้วเนี่ยก็จะหม่นหมองอาจจะเกิดความทุรนทุรายอย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินคนที่ใกล้ตายบางคนเขาชอบฆ่าไก่เขาชอบฆ่าวัว อาชีพของเขาเขาจะไม่ชอบแต่เป็นอาชีพของเขาแต่ว่าพอถึงเวลาใกล้าตายเนี่ยก็จะได้ยินเสียงไก่หรือเห็นไก่เนี่ยจะมาร้องหวยหัวหรือวัวมาร้องหวยหวัวก็ทำให้จิตเป็นอกุศลแล้วคนเราเวลาทำอะไรสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเวลาใกล้าตายเนี่ยมันก็จะออกมาในลักษณะของกรรมนิมิตหรือว่าอาจจะไปมากกว่านนะั้นคือคตินิมิตคตินิมิตก็คือว่า พภูมิข้างหน้าที่จะไปที่จะไปเกิดอาจจะเป็นสัตว์อาจจะเป็นท้องฟ้าอาจจะเป็นถ้าอันนี้ก็เป็นที่ที่ตำลาเขาว่านะฮะในสมัยพุทธกาลนี่ก็ยังมีพรานคนหนึ่งซึ่งแกใกล้ตายเนี่ยก็ปรากฏว่าเห็นนิมิตว่ามีหมาป่าจะมาวิ่งไล่กัดทําร้ายแกก็เอามือเนี่ยปดป้องแล้วก็พยายามที่จะทําท่าจะหนีแต่หนีไม่พ้นเพราะว่า ป่วยหนักแล้วเหืนผู้ที่ดูแลเนี่ยก็คือลูกชายซึ่งเป็นพระท่านก็มีความรู้ท่านก็รู้ว่าเนี่ยพ่อที่คงจะไปสู่ทุกคติแล้วละ่ะแต่ว่าท่านก็สามารถแก้อารมณ์ได้ก็คือการน้อมจิตให้น้อมให้นึกถึงสิ่งที่ดีนึกถึงพระพุทธเจ้าสักการะบูชาพระพุทธเจ้าใจที่นึกถึงสิ่งที่ดีงามเนี่ะที่ใกล้จะตายก็ทําให้ไปสู่สุคติได้ประเดน็นอยู่ตรงนี้ฮะคือว่า กรรมนิมิตหรือคตินิมิตเนี่ยก็คือสิ่งที่จะมารบกวนถ้าเราทําสิ่งที่ไม่ดีไว้ในชีวิตมันก็จะมารบกวนทําให้ใจเรานี่ไม่เป็นสู่เกิดความทุกข์ทุรนทุรไลเวลานี้ในวิชาการต่างประเทศเนี่ยเขาพบว่ามันมีปรากฏการณ์หนึ่งที่ ค, คล้ายๆกับที่พระพุทธเจ้าได้อธิบายไว้คือเรื่องเขาเรียกว่าไลฟ์รีวิวไลฟ์รีวิวก็คือว่าการนึกย้อนทบทวนไปถึงชีวิตที่ผ่านมาราวกับว่าเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นนะอันนี้แล้มันก็ คนที่พบปรากฏการณ์นี้เนี่ยก็ไม่ใช่ทุกคนนะฮะแต่ว่าก็จํานวนพอสมควรที่พบว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่คิดเอาเองนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนจํานวนมากเพราะนี้การทําความดีการรักษาศีนี่เป็นสิ่งสําคัญมากรวมทั้งการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่นอย่าไปติดศีนในความหมายที่แคบก็คือว่าไม่ไม่ไ ม, ไม่แต่ศีนี่หมายถึงการที่ทําด้วยนะฮะเป็นจะศีนเป็นจะทำเป็นการมีความเมตตาความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อผู้อื่น ประการต่อมาก็คือว่าในเวลาที่จะตายเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่มีแค่กรรมนิมิตหรือคตินิมิตที่จะมารบกวนจิตใจแต่ว่าจะยังมีความรู้สึกอาลัยเวลาเราอาลัยอาลัยคนที่เรารักสิ่งที่เรารักเวลาใกล้าตายเนี่ยความอาลัยนี้ก็ทำให้มีความทุกข์มากนะฮะบางคนเนี่ยตายตาไม่หลับนะตาไม่หลับคือตาไม่หลับจริงๆนะมีคนไข้คนหนึ่งเนี่ยแกตายตั้งแต่สามทุ่ม เจ็ดมงเช้าก็ไม่หลับนะฮะพยาบาลพยายามที่จะปิดตาแกก็ไม่ปิดมีญาติผู้ใหญ่เนี่ยก็คงเอะใจก็คงเข้าใจว่าคนตายเนี่ยคงจะเป็นห่วงลูกเพราะลูกเนี่ยมีสี่คนสองคนเป็นวยัยรุ่นเนี่ยติดคุกเพราะเสพยาอีกคนหนึ่งคนสุดท้องเนี่ยอายุสิบขวบสิบขวานี่ก็ไม่รู้จามีชื่ อ, อยอย่างไงน ะ, ะจะมีอนาคตเหมือนพี่ชายหรือเปล่าก็ไม่รู้ป้าเขาก็เลยจุดธูป บ, บอกว่าไม่ต้องห่วงลูกนะจะดูแลลูกให้ แล้วก็พอปิดตาเนี่ยมันปิดได้นะฮะตานี่ปิดเลยฮะบางคนเนี่ยยังไม่ทันจะตายก็ทุรนทุลายแล้วขอให้หมอนี่ช่วยทุกๆวิธีทางไม่ยอมตายไม่ยอมตายท่นานที่เป็นมะเร็งปฏิเสธความตายพยาบาลก็เอจใจไปคุยแกบอกว่าแกตายไม่ได้เพราะว่าลูกเนี่ยเป็นห่วงลูกลูกตอนนี้เนี่ยตอนนี้ก็มีคนอื่นไปดูแลก็เป็นห่วงลูกว่าจะไปรอดไหมพยาบาลก็พูดให้กําลังใจว่าลูกคุณเป็นคนดีนะ ถ้าลูกคุณไม่ใช่คนดีไม่มีใครรับไปไปเลี้ยงดูหรอกพูดจนข้านั่งเขาคลายใจเขาบอกเนี่ยตอนนี้ความทุกเนี่ยมันหมดไปแล้วแปเซหลืออีก 20% คืออะไร 20% คือว่ากลัวว่าจะตายแบบทุกทรมานกลัวว่าจะตายคนเดียวไม่มีใครอยู่ด้วยโรงพยาบาลก็ให้เรากำลังใจว่าคุณเป็นคนดีเนี่ยคุณจะตายไปในความดีนะคุณจะไม่ตายด้วยความทุกทรมานแกก็สึกเบาใจเแบาบใจแล้วพอถึงเวลาที่วันวั น, ว, นวันสุดท้ายที่แกมีชีวิตอยู่นี่ ตอนนั้นแกใส่เครื่องช่วยหายใจนะฮะแล้วแกรู้ว่าแกจะตายแกถอนแล้วก็มาลาพยาบาลว่าจะไปแล้วนะแล้ววันนั้นแกก็ไปอย่างสงบตรงข้ามกับช่วงแรกที่ได้พูดตายคือแกไม่ยอมรับความตายแล้วคนที่เวลามีความห่วงเวลามีความอาลัยอาวรณ์เนี่ยบางทียาระงับปวดก็เอาไม่อยู่นะฮะและสิ่งที่อาลัยอาวรบางทีก็ไม่ใช่เป็นเรื่องลูกไม่ใช่เป็นเรื่องครอบครัวบางทีก็อาจจะเป็นเรื่อง ธรรมดาที่เราอาจจะคิดว่าไม่สําคัญพยาบาลคนหนึ่งเขบอกว่าเนี่ยมีคนไข้คนหนึงที่จุฬาเนี่ยอาการหนักเนี่ยให้ยาระงับปวดให้ไปแค่10นาที15นาทีแกะกระสับกระส่ายกระสับกระส่ายเป็นอย่างนี้อยู่หลายครั้งเวลาเกิดอาการอย่างนี้เนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่ใช่ทุ ก, กายนะฮะทุกใจและเวลาถามไปเวลาคุยไปพบกันกี้ว่ามีความทุกข์นะความทุกข์บางทีก็ไม่ใช่ยาอะไรคือว่าคือแกพยายามส่งสัญญาณปราบขโมมคอมมิต หมอก็ให้เวลาฮะก็ดูคําพูดเนี่ยแกพูดคําว่าเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่คืออะไรถามลูกชาลูกชายก็ไม่รู้แต่คุยไปคุณมาลูกชายบอกว่าเนี่ยพ่อเนี่เคยไปป่วยที่สวนดอกแล้วก็พ่อเนี่ยเคยมอบร่างให้กับโรงพยาบาลหมอก็เลยด่าว่าสงสัยคนไข้จะเป็นห่วงเรื่องนี้ก็เลยพูดกับคนไข้ว่าไม่ต้องห่วงนะถ้าเป็นอะไรไปเนี่ยโรงพยาบาลจุฬาจะรับจัดการให้ บอกกันว่าพูดตรงกับใจแก่แกก็สงบได้นะฮะบางคนาบางทีอะไรอวรในบางเรื่องซึ่งอาจจะดูไม่สําคัญแต่ว่ามันเป็นความอะไรบางทีอะไรวิชาบางทีอะไรลูปบางทีอะไรทรัพสมบัติมีคนหนึ่ ง, น, น, ง น, นี่ที่นความปฐมป่วยหนักนะฮะอยู่โรงพยาบาลมา78วันอาการก็ซุด ล, ลงไปเรื่อยๆแต่ไม่ยอมตายเสร็จแล้ววันหนึ่งเนี่ยช่วงที่จะตมาไปเยี่ยมเนี่ยก็บอกกัว่ามีคนในหมู่บ้านแก่มาหาที่โรงพยาบาลบอกว่าแกไปทวงเงิน ยืมเงินมาไว้สิบปีแล้วแกไปทวงเงินเห็นแกไปทวงเงินแกตัวแก อ, อยู่โรงพยาบาลนะฮะแต่เอาอะไรไปทวงเงินนะฮะสงสัยเอาใจนี้ไปไปทวงเงินดยังไม่ทันตายเลยบอกว่าเนี่ยวิญญาณเนื้อสักอย่างเนี่ยไปทวงเงินแล้วบอกเขาต้องเรีอกเอาเงินมามาคืนให้คือแกจะตายอยู่แล้วก็ยังห่วงเงินนะฮะที่ให้ยืมแล้วไม่คืนเนี่ยแล้วแบบนี้ก็จะไม่ตายดีนะฮะ